เส้นทางชีวิตของพวกเรามีอยู่สองเส้นทางด้วยกันคือหนึ่งทางโลกสองทางธรรมทางโลกเป็นทางที่มีความสุขมาก่อนแล้วตามมาด้วยความทุกข์ในภายหลังส่วนทางธรรมนี้ มีความทุกข์มาก่อนแล้วตามด้วยความสุขคนส่วนใหญ่จึงเลือกทางโลกกันเพราะต้องการความสุขไวๆก็เลยเลือกเอาทางโลกที่พอเดินไปแล้วก็จะได้ความสุขก่อน ส่วนความทุกข์นั้นบางทีก็ไม่รู้ว่าจะตามมาบางคนคิดว่าทางโลกเป็นทางที่ให้ความสุขไปเรื่อยๆไม่มีความทุกข์ตามมาส่วนคนที่มีปัญญาคนที่มองอนาคตเป็นมองเห็น สิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายในภาคหน้าก็จะเลือกทางธรรมทางธรรมที่เริ่มด้วยความทุกข์แต่จะไปจบด้วยความสุขนี่คือทางเส้นทางชีวิตของพวกเราที่เรากำลังเดินกันอยู่ เราจะเดินไปเส้นไหนก็ไม่มีใครมาห้ามมาบังคับเราได้เราเป็นผู้เลือกทางเดินแล้วเราก็ต้องรับกับเหตุการณ์หรือผลที่เกิดจากการเลือกทางเดินของเรา การที่เรามาฟังเทศฟังธรรมกันก็เป็นเหตุอย่างหนึ่งที่จะทำให้เราเลือกทางธรรมกันเพราะถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่รู้ว่าทางธรรมนั้น ให้ความสุขกับเราเราจะเห็นแต่ว่ามันเป็นความทุกข์เพราะการปฏิบัติธรรมนี้เป็นความทุกข์ยากลำบากจึงไม่มีใครอยากจะปฏิบัติกันแต่พอเราได้มาศึกษามาฟังเทศน์ฟังธรรม มาศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าประวัติของพระ อ, อริยสงสารุกทั้งหลายเราเห็นความทุกข์ยากลําบากของท่านแต่เราก็เห็นความสุขความสบายของท่านที่ตามมาหลังจากที่ท่านได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆแล้วมันก็เลยทําให้เรา มีกำลังใจที่จะไปในทางธรรมกันนี่คืออานิสงส์หรือประโยชน์จากการที่เรามาฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆเราจะได้ยินได้ฟังผลที่เกิดจากการปฏิบัติอย่างทุกข์ยากลำบากผลที่วิเศษ ผลที่เลิศว่าผลที่เราจะได้รับจากการที่เราเดินไปในทางโลกเพราะทางโลกนี้เป็นทางสั้นเป็นทางที่จะจบเมื่ออายุเราหมดไปเมื่อร่างกายเราตายไปแต่ทางธรรมนี้ เป็นทางที่ยาวพอเราได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆแล้วเราก็จะได้รับความสุดไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดพอเราได้ฟังแล้วเราก็จะเกิดความยินดีที่จะออกเดินทางไปในทางธรรมกัน พอเราเห็นตัวอย่างที่ดีเห็นตัวอย่างของพ่อพุทธเจ้าเห็นตัวอย่างของครูบาอาจารย์ต่างๆที่เราได้ไปกราบไหว้บูชาได้ไปยินได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้เห็นความสุขที่ท่านครองอยู่ก็เป็นเครื่องยืนยันว่า ทางธรรมนี้ก็ไม่ใช่เป็นทางที่เลวร้ายตรงไหนแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่อยู่เหนือวิสัยของพวกเราที่เป็นมนุษย์ด้วยกันพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนพวกเราพระอริยสงฆ์ทั้งหลายท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนพวกเรา ถ้าท่านสามารถที่จะบรรลุทำขั้นต่างๆได้เราก็สามารถที่จะบรรลุได้เช่นเดียวกันถ้าเรารู้จักวิธีของการปฏิบัติที่จะทำให้การบรรลุทำขั้ น, นต่างๆปรากฏขึ้นมาพอเราได้รู้แล้วว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไรกันบ้าง เราก็เพียงพยายามปฏิบัติกันไปตามกำลังของเราที่มีอยู่ในขณะนั้น เ, ออเวลาที่เราเริ่มต้นกำลังที่จะปฏิบัติทำนั้นยังมีไม่มากออสิ่งที่ต่อต้านนี้มีมากออคือนิวรกิเลสตัณหาต่างๆออความลังเลสงสัย ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความติดอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกมิ้นกายความเกลียดคร้านความง่วงเหงาหานอนความทุ้งซ้านและความโกรธที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญ แต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเราก็จะได้รู้จักวิธีกำจัดขวากหนาหรืออุปสรรคต่างๆเหล่านี้ให้หมดไปได้แล้วเราก็สามารถที่จะบําเพ็ญและปฏิบัติธรรมไปได้อย่างสะดวกง่ายดาย ถ้าเรามีผู้คอยแนะคอยสอนอยู่เรื่อยๆคอยให้กำลังใจอยู่เรื่อยๆเวลาฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ท่านจะแสดงถึงหลักธรรมในเบื้องต้นก่อนว่าเราต้องมีอะไรบ้างในการที่จะบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้ท่านก็จะสอนเรื่องศีลสมาธิและปัญญา แล้วก็แสดงถึงผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาก็คือมรรคผลต่างๆเช่นโสดาปติมรรคโสดาปติผลสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตมรรคอรหัตผลและนิพพาน ที่เรียกว่ามัคสีผลสีนิพพานหนึ่งเป็นผลที่จะเกิดขึ้นจากการบําเพ็ญศีลสมาธิปัญญาแล้วท่านก็จะเล่าวิธีของการบําเพ็ญศีลสมาธิและปัญญาของท่านให้ฟังว่าท่านบําเพ็ญอย่างไรท่านไปอยู่ที่ไหนไปปฏิบัติอย่างไร แล้วได้ผลอย่างไรเวลามีปัญหาท่านทําอย่างไรพอท่านเล่าให้ฟังแล้วมันก็ทําให้ผู้ฟังมันเกิดกําลังใจถ้ามีความท้อแท้เหนื่อยหน่ายพอได้ยินได้ฟังทำจากท่านก็ทําให้เกิดมีกําลังจิตกําลังใจขึ้นมา อันนี้คือผู้สิ่งที่ผู้ปฏิบัติควรจะมีถ้าเป็นไปได้ก็มีครูบาอาจารย์คอยสั่งคอยสอนคอยให้กำลังใจอยู่เรื่อยๆแต่การจะไปอยู่กับครูบาอาจารย์นั้นต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่หนักแน่นมีความกล้าหาญคือไม่กลัวท่าน ไม่กลัวแต่เกรงคำว่าไม่กลัวก็คือไม่กลัวการดุด่าว่ากล่าวตักเตือนของท่านแต่เกรงความ เ, าเกรงในพระธรรมอันพระคุณของท่านเกรงในพระปัญญาของท่านาจะมีความยำเกรงจะมีความเาขรเารพในธรรมคำสั่งสอนของท่าน เชื่อว่าคำสั่งสอนของท่านทุกคำนี้เป็นคำสอนที่ออกมาจากความเมตตาเป็นคำสอนที่จะมาแก้ไขสิ่งที่บกพร่องที่มีอยู่ในตัวเราถ้าเรามีความเชื่ออย่างนี้มีความกล้าอย่างนี้เวลาเราจะไปอยู่กับเวลาอยู่กับท่านนี้เราจะไม่หวั่นไหว เวลาถูกท่านตำหนิติเตียนเวลาถูกท่านทดสอบจิตใจเราจะมองไปในทางว่าเป็นความเมตตาเป็นการทดสอบจิตใจของพวกเราว่ามีความหนักแน่นมีความมั่นคงอยู่กับธรรมหรือไม่แล้วก็เป็นการ เหมือนกับการทดสอบจิตใจคุยเขียกิเลสตัณหาที่อาจจะหลบซ่อนอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งถ้าไม่ถูกท่านคุยเขียก็จะอาจจะไม่โผล่ออกมาแล้วก็จะทำให้เราประมาทได้คิดว่าเราไม่มีกิเลสแบบนั้นแล้วแต่พอท่าน ค่อยเกะออกมาพอมันโผล่ขึ้นมาเราก็จะได้รู้ว่าอมันยังมีอยู่เช่นการถือเนื้อถือตัวการโกรธบางที่ไม่มีเหตุการณ์มันก็จะไม่โผล่ขึ้นมาแต่พอมีเหตุการณ์นี้มันจะโผล่ขึ้นมามันก็จะทําให้เราอ ดูว่าเรายังมีปัญหานี้อยู่แล้วเราก็จะได้หาวิธีกำจัดให้มันหมดไปจากใจนี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติควรจะมีกันคือครูบาอาจารย์โดยเฉพาะครูบาอาจารย์ที่บรรลุแล้วผู้ที่ได้มีมี ประสบประการณ์ในการปฏิบัติมาในทุกรูปแบบในทุกขั้นตอนของธรรมทั้งขั้นศีลทั้งขั้นสมาธิทั้งขั้นปัญญาทั้งขั้นวิมุตติหลุดพน้นถ้ามีครูบาอาจารย์อย่างนี้แล้วโอกาสที่จะได้บำเพ็ญให้สำเร็จนั้นมีอยู่มาก ดังนั้นควรที่จะเข้าหาครูบาอาจารย์กันและถ้าไปอยู่ศึกษากับท่านได้ยิ่งดีเพราะจะได้อยู่ใกล้ชิดเวลาที่ท่านเห็นอะไรบกพร่องท่านก็จะได้ช่วยแก้ไขให้หรือเวลาที่เราอยากจะไปทำอะไรตามความอยากของเราโดยคิดว่าเป็นการกระทำ ที่ถูกที่ดีแต่ถ้าท่านไม่เห็นด้วยเราก็ไม่ควรที่จะทำควรที่จะฟังว่าท่านมีความเห็นอย่างไรเวลาที่จะไปไหนนี้เราไม่ไปกราบครูบาอาจารย์นี้เราไม่ได้มกักบอกว่าจะขอลาไปนู่นขอลาไปนี้แต่จะไปขอปรึกษา ว่ามีเหตุผลอย่างนี้อย่างนั้นจะทำอย่างนั้นหรืออย่างนี้ท่านมีความเห็นอย่างไรถ้าท่านมีความเห็นไม่ตรงกับความเห็นของเราเราก็ต้องหยุดความเห็นของเราเราต้องเห็นความเห็นของท่านนี้ดีกว่าหรือถูกถูกต้องกว่าเพราะท่านได้ผ่าน เหตุการ์ต่างๆมาแล้วอย่างโชคชนกิเลสมันจะคอยหลอกเราให้เราไปทำตามกิเลสโดยที่มันจะเอาทำต่างๆมาอ้างถ้าไม่มีครูบาอาจารย์นี้เราจะรู้ไม่ทันกเลขกลนของกิเลสแต่ถ้ามีครูบาอาจารย์ท่านเคยผ่านเลขกลนของกิเลสมาแล้ว หรือท่านก็เคยมีครูบาอาจารย์คอยช่วยแก้เล่กลต่างๆของกิเลสมาแล้วพอเราแสดงเล่กลของกิเลสออกมาท่านก็จะรู้ทันทีแล้วท่านก็จะช่วยแก้ไขให้ดนั้นการอยู่กับครูบาอาจารย์นี้ต้องอยู่แบบเคารพ เชื่อฟังจริงๆไม่คัดค้านไม่เถียงเพราะว่าท่านไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการที่มาเอาแพ้เอาชนะเราท่านไม่ต้องการอะไรจากเราท่านต้องการช่วยเหลือให้เราได้ปฏิบัติไปในทางที่ถูกต้องเท่านั้น ถ้าท่านเห็นว่าเราไปในทางที่ไม่ถูกต้องท่านก็ต้องคัดค้านยับยัง้งไม่ปล่อยให้ไปอย่างสมัยที่อยู่กับห้องตานี้ท่านก็มีกฎว่าพระโบสถ์ใหม่นี้ต้องอยู่ห้าพันสาไม่ให้ไปไหนให้อยู่ในวัดให้บำเพ็ญในวัดยังไม่พร้อมที่จะไปเที่ยวปีกวิเวกตามลำพัง ก็เป็นเหมือนกับยังเป็นเด็กอยู่ยังไม่พร้อมยังไม่มีกำลังที่จะไปปีกวิเวกตามลำพังไปแล้วแทนที่จะเกิดประโยชน์กับจะเกิดโทษขึ้นมาได้ถ้ามีพระรูปใดท่านขือนคำสั่งคือขออนุญาตไปแล้วท่านข้ามไม่ให้ไปแต่ก็ไป ถ้าไปแล้วเวลาจะกลับมานี้ท่านไม่รับแล้วท่านไม่สอนแล้วคนที่ดื้อดึงคนที่ไม่ฟังคําสอนของท่านท่านบอกว่ากลับมาทําไมในเมื่อท่านเห็นว่าการตัดสินใจของท่านนั้นดีแล้วท่านไปแล้วก็ไปเลยไปแล้วก็ไม่ต้องกลับมานี ขอให้พวกเราระมัดระวังเรื่องความดื้อรั้นกันเวลาครูบาอาจารย์ห้ามหรือเวลาครูบาอาจารย์สอนอะไระอย่าไปดื้อรั้นมันจะเป็นโทษกับเราเองมากกว่าเป็นคุณนอกจากที่เราไปกับนอกจากถ้าเราไปศึกษากับครูบาอาจารย์ที่ไม่รู้จริ ง, รงเห็นจริงนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็อาจจะ อาจจะไม่เชื่อตามก็ได้ถ้าเรามีเหตุผลมีธรรมที่ถูกต้องแล้วท่านมีธรรมที่ไม่ถูกต้องอย่างนี้เราก็ต้องไม่เชื่อฟังถ้าเชื่อฟังก็อาจจะทำให้เราไปผิดทางได้อย่างกรณีของพระองคุลิมานที่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ ว่าถ้าต้องการที่จะบรรลุธรรมต้องไปฆ่าคนหนึ่งพันคนอันนี้ก็เชื่อก็เลยไปฆ่าแต่เหลือคนสุดท้ายไปพบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สอนองคุลิมานว่านี่ไม่ใช่เป็นทางสู่การหลุดพ้นสู่การบรรลุธรรมพอองคุลิมานได้ฟังก็ เปลี่ยน เ, เปลี่ยนเป้าหมายเลิกเชื่อคำสอนของอาจารย์แล้วก็มาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแทนแล้วในที่สุดก็ได้หลุดพ้นได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์นี่คือเรื่องของการไปศึกษากับครูบาอาจารยา์มีตัวอย่างหลายตัวอย่าง ให้เราได้เห็นกันอย่างกรณีของพระโพธิรัตนี้ก็เหมือนกันพระโพธิรัตนี้ท่านก็บวชมานานแล้วท่านก็มีความชำนาญในทางปริยัติธรรมท่านจดจำพระธรรมคําสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าได้หมดทุกครั้งที่พบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากลับตาหนิว่าเป็นใบาลานเปล่า ไม่มีเนื้อหนังสาระของธรรมมีแต่ตัวตัวใบลานมีแต่ชื่อของธรรมแต่ไม่มีตัวธรรมจิตใจยังถูกครอบงำด้วยโมหะอวิชชากิเลสตัณหาอยู่อยู่ไปเปล่าๆตายไปเปล่าๆบวชแล้วก็ไม่ได้อะไรจากการศึกษาเพียงอย่างเดียว จนในที่สุดพระโพธิราก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าตนต้องออกปฏิบัตินะแล้วต้องมีครูบาอาจารย์คอยสั่งสอนท่านก็เลยมุ่งไปหาครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอารหันต์ไปที่สำนักที่มีพระอารหันต์อยู่กัน ซึ่งมีเป็นพระอาหารหันต์ทั้งนั้นทั้งพระทั้งเนเป็นเระาบรรลุธรรมกันก็ไปกราบพระที่เป็นหัวหน้าแต่เนื่องจากที่พระโปธิลัตนี้ท่านบวชมานานกว่ามีพรรษามากกว่าพระอาจารย์หัวหน้าท่านก็ปฏิเสธบอกไม่กล้าขอรับมาเป็นลูกศิษย์เพราะท่านมีพรรษามากกว่า อาจจะเป็นอุบายของท่านที่จะทดสอบความตั้งใจว่าตั้งใจที่จะมาศึกษาจริงๆหรือเปล่ า, าก็ปฏิเสธไปนาคาบอกให้ลองไปถามพระรูปอื่นดูท่านก็ไปถามพระรูปอื่นที่เป็นพระอารหันต์เหมือนกันพระแต่ละรูปท่านก็ปฏิเสธไปจนไปถึงสา ม, มนเณรก็ไป ก็มีศรัทธาเชื่อว่าสัมมาเนน้เป็นพระอรหันต์และสามารถที่จะเป็นอาจารย์สั่งสอนท่านได้สมมาเนนในตอนต้นก็จะไม่รับเพราะเห็นว่าครูบาอาจารย์ต่างๆท่านไม่รับแต่เมื่อพระอาจารย์หัวหน้าท่านบอกสัมมาเนนไม่สงเคราะห์ท่านหรือท่านหน่อยหรือสัมเนนก็เลยรับพระเทระมาเป็น ลูกศิษย์ลูกหาทั้งๆ ท, ที่ตนเองยังเป็นสัมมเณรอยู่แต่พระเถระมีพันสามารถพระเถระแ ท, แทนแทนที่สัมมณเณรจะต้องมาคาวรว ะ, ะพระเถระพระเถระนั้นกลับต้องไปคารวะสัมมณเณรในฐานะที่สัมมเณรเป็นครูเป็นอาจารย์ของพระเถระ รเถระท่านก็แสดงความคารวะอ่อนน้อมกับสัมมาเนนอย่างสวยงามไม่แข็งกระด้างแต่อย่างใดแต่การแสดงคารวะนั้นก็ยังไม่พอสัมมาเนนยังไม่มั่นใจว่าจะมีทิฏฐิมีความดื้อรั้นอยู่หรือไม่จึงต้องทดสอบดูว่า อย่างดื้อหรือไม่ดื้อก็เลยให้ใช้ให้ทำอะไรต่างๆใช้ให้ล้างกระโถนให้ล้างบาซักดที่วอนให้กวาดถูกุฏิเช็ดถูกุฏิกวาดถูลานวัดอะไรต่างๆบางครั้งก็แก้งให้ดูยลงไปในน้ำให้ไปหยิบอะไรมาพออลงไปเปียก ยังไม่ได้ไปถึงสิ่งที่จะไปให้หยิบก็บอกไม่เอาแล้วเปลี่ยนใจไม่ต้องก็ดูว่ามีอารมณ์หรือไม่มีความโกรธหรือมีอะไรหรือไม่แต่พระเทละท่านก็มีความแน่วแน่มีต่อความศรัทธาในตัวพระสัมสมาสเน้ว่าเป็นพระอาหารหันต์เป็นผู้ที่จะสามารถ สั่งสอนให้ท่านหลุดพ้นได้ท่านก็เลยเชื่อฟังทุกอย่างและไม่โกรธเวลาที่ทำแล้วไม่ไม่พอใจเวลาถูกใช้แล้วไม่ควรจะไม่พอใจแต่ท่านก็ไม่แสดงอาการอะไรท่านก็เข้ารบอยู่เหมือนเดิมจนสมมนาเห็นว่า เป็นผู้ที่พร้อมที่จะรับฟังคำสัง่งคําสั่งคําสอนธรรมเณรก็เลยสอนเรื่องการฆ่ากิเลสว่ากิเลสนี้มันเหมือนตัวกระป๋อมที่มันอยู่ในรูแล้วมันมีทางเข้าออกอยู่หกทางด้วยกันถ้าอยากจะจับกระป๋อมตัวนี้ก็ต้องปิดทางเข้าออกห้าทาง เปิดไว้ทางเดียวแล้วก็ไปคอยเฝ้ามันอยู่ตรงทางนั้นทางที่เปิดให้มันเข้าออกเดี๋ยวไม่ช้ากันเร็วมันก็ต้องออกมาทางนั้นพอมันออกมาก็จับมันได้เลยนสีสัมมเนยก็เปรียบเทียบว่ากิเลสตัณหาของพวกเรานี่มันก็มีทางเข้าออกในในใจของเราในหกทางด้วยกันคือ ทางตาหูจมูกรินกายและทางใจให้ปิดทะาห้าทางคือปิดตาหูจมูกลินกายที่เราเรียกว่าสํารวมอินรี่หรือที่เราถือศีลแปดกันนี้ก็เป็นอุบายของการปิดทวารทั้งห้าเพื่อที่จะได้ไม่เหนื่อยกับการตามจับกิเลสตัณหาถ้าเปิดทั้งหกทางนี้เราจับมันไม่ไหว เราไปทางนี้มันก็ไปออกไปอีกทางเราไปเฝ้าทางตามันก็ออกไปทางหูทางจมูกทางลิ้นได้แต่ถ้าเราไปปิดมันสักห้าทางปิดตาหูจมูกลิ้นกายมันก็มีทางเดียวที่จะออกมาได้ก็คือทางใจทางความคิดตอนนั้นเราก็ไปหยุดมันที่ตรงนั้นเวลามันจะออกมาเราก็ใช้สติปัญญากำจัดมันได้ เรื่องต้นก็จับมันด้วยด้วยสติก่อนบริกรรมพุทโธพุทโธไปพอมันอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปกินอยากจะไปดื่มอยากจะไปทําอะไรเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปหยุดนนก่อนตัดกําลังมันก่อนพอมันอ่อนกําลังแล้วเวลามันอยากจะไปไหนเราก็สามารถใช้ปัญญาเข้ามาทําลายมันได้ อย่างง่ายดายถ้ามันยังไม่อ่อนกำลังนี้จะสู้มันไม่ได้ถ้าจิตยังไม่มีสติที่จะทำจิตให้สงบเป็นสมาธิได้นียากต่อการที่จะกำจัดกิเลสตัณหาต่างๆเวลาที่มันโผล่ขึ้นมาดะนั้นเบื้องต้นต้องใช้สติตัดกำลังของกิเลสตัณหาก่อนเมื่อมัน อ่อนกำลังแล้วเวลามันออกมาก็จะใช้ปัญญาฆ่ามันได้สตินี้ฆ่ากิเลสไม่ได้ต้องใช้ปัญญาเป็นผู้ฆ่าแต่กิเลสสตินี้เป็นผู้หยุดตัดกำลังมันได้ด้วยการทําใจให้สงบแล้วก็จะทําให้ใจมีกำลังมีอาหาร พ่าความสงบคืออาหารของของใจจะทําให้ความอยากความหิวโหยความต้องการอะไรต่างๆนั้นไม่รุนแรงแต่ยังไม่ตายถ้าเป็นนักมวยก็เหมือนกับถูกนับนับแแต่ยังไม่ถึงกับนับ10บด้วยสติด้วยกําลังของสติต้องอาศัยกําลังของปัญญาถึงจะสามารถทําให้ล้มลงไปนับสิบได้ นี่ก็เป็นอุบายวิธีสั่งสอนของสมณเณรต่อพระเทละแล้วไม่นานพระเทรละท่านก็บรรลุหลุดพ้นเป็นพาาาระอรหันต์ขึ้นมาด้วยความศรัทธาความเชื่อในครูบาอาจารย์ไม่ดื้อรั้นไม่ว่าท่านจะสั่งจะสอนให้ทำอะไรก็ต้องทำตามที่ท่านสั่งอย่างในปัจจุบันนี้ก็ส ก็เรื่องของที่หลวงตากับคุณแม่ชีแก้วหลวงตาท่านก็เคยเล่าให้ฟังว่าแม่ชีแก้วก็มาสมัครเป็นลูกศิษย์ลูกหาให้อบรมสั่งสอนแต่แม่ชีแก้วเธอก็มีปัญหาเธอติดนิมิตต่างๆเวลานั่งสมาธิทีไรจิตของเธอจะออกไปรับรู้นิมิตต่างๆซึ่งไม่ได้เป็นทางที่ไปสู่สัมมาสมาธิ ทางที่จะไปสู่การทำให้จิตมีพลังต่อสู้กับกิเลสตัณหาต่างๆได้เวลามาเล่าให้หลวงตาฟังเธอก็คิดว่าเธอเก่งเธอเห็นนูน่นเห็นนี่แต่ลวงตากับเห็นว่ามันไร้สาระไม่เป็นประโยชน์ก็คอยห้ามคอยเตือนห้ามยังไงเธอก็ยังไม่เลิกจนถึง ท่านที่หลวงตาต้องข่าโทษว่าถ้ายังไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนิมิตต่างๆเหล่านี้ก็อย่ามาถือเป็นครูอาจารย์เป็นลูกศิษย์กันพอท่านข้าโทษแบบนั้นเธอถึงเห็นโทษของการดื้อรั้นของเธอเธอก็เลยหักห้ามจิตใจเวลานั่งสมาธิไม่ให้จิตออกไปรับรู้อะไรต่างๆ ให้ตั้งอยู่ในความสงบให้เป็นอเบคาให้สักแต่ว่ารู้แล้วพอออกจากสมาธิแบบนี้มาก็จะมีกำลังที่จะมาใช้ปัญญาในการกำจัดกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจอันนี้ก็เกิดจากการเชื่อฟังครูบาอาจารย์ถ้าเธ อ, อยังดื้อรัน้นไม่เชื่อครูบาอาจารย์ยังเชื่อว่าทางของเธอนี่เป็นทางที่ถูก เธอก็อยังจะต้องไปติดทนิมิตนี้ไปเรื่อยๆนิมิตนี้มันถึงแม้อาจจะเป็นของแปลกประหลาดเป็นความสามารถพิเศษที่คนธรรมดาสามัญจะไม่สามารถรู้เห็นได้เธอกับรู้เห็นได้แต่มันไม่มันไม่มีความสามารถในการกําจัดกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจและมันกลับจะกลายเป็น ผู้รับใช้กิเร ต, ตันหาว่าผู้ที่มีนิมิตต่างๆก็มักจะถูกบอกให้ไปใช้ในอาชีพท ร, รมาหากินเป็นหมอดูหมออะไรไปแล้วก็จะได้มีรายได้จากการาทำนายทายทักอะไรต่างๆแต่จิตก็ยังมีกิเรเต็มอยู่ภายในหัวใจเราจะไม่มีวันหลุดพ้นจาก กทุกได้ไม่มีวันหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้่เธอก็กลับใจได้เลิกเล่นเลิกเกี่ยวข้องกับนิมิตแล้วก็ตั้งใจบำเพ็ญไปในทาง อ, าอัปปนาสมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิก็ออกไปทางปัญญาพิจารณาทุกอย่างให้เป็นใจรักพิจารณาร่างกายให้เป็นอสุภะ เพื่อตัดกิเลสตัณหาต่างๆที่ผูกใจให้ติดอยู่กับวัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจนในที่สุดเธอก็บรรลุมรรคผลอันนี้ก็ด้วยความศรัทธาความเชื่อในครูบาอาจารย์และครูบาอาจารย์ที่รู้จริงเห็นจริงที่ไม่เกงออกเกงใจลูกศิษย์พร้อมที่จะตัดลูกศิษย์ได้ เพราะกรูบาอาจารย์ไม่ไม่ได้มาหาลูกศิษย์ลูกหาเพื่อเป็นาบารมีประดับบารมีว่ามีลูกศิษย์ลูกหามากมายกายกองอถ้าลูกศิษย์ดื้อดืงมีไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรลูกศิษย์ที่ไม่บรรลุธรรมมีไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรซึมีลูกศิษย์คนสองคนที่บรรลุธรรม ดีกว่ามีลูกศิษย์สองสามร้อยคนที่ไม่บรรลุธรรมครูบาอาจารย์ที่ท่านมีธรรมนี้ท่านจะดูคุณภาพของลูกศิษย์ท่านจะไม่ดูปริมาณของลูกศิษย์ไม่ได้จะนับจำนวนที่ปริมาณแต่คนที่ไม่มีธรรมนี้จะดูที่ปริมาณครูบาอาจารย์รูปไหนมีลูกศิษย์เยอะ ก็คิดว่าท่านอาจจะมีบารมีมากมีธรรมมากแต่ถ้าดูลูกศิษย์ที่เป็นลูกศิษย์นั้นไม่มีธรรมไม่มีการบรรลุธรรมเลยมันก็จะบอกให้รู้ว่าครูบาอาจารย์นั้นเป็นอย่างไรนี่ก็เรื่องของทางธรรมทางธรรมนี้เป็นทางที่ยากลําบากในเบื้องต้นว่เาเป็นทางที่เราไม่เคยไป น่าเป็นทางที่เราต้องสละทางโลกการสละทางโลกเรามาทางธรรมนี้มันทําให้เราทุกข์ทรมานกันเพราะเราเคยหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันพอเรามาทางธรรมเราก็ต้องยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างที่สมัมมณีได้สอนพระโพธิลัทธ์ว่าต้องสำรวมตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่เสบรูปเสียงกลิ่นรสเพราะมันจะทำให้เกิดเป็นนิวร์ขึ้นมาเป็นกามะฉันทะขึ้นมาแล้วจะไม่สามารถทำใจให้สงบได้แล้วจะไม่สามารถฆ่ากิเลสเวลาที่มันโผล่ขึ้นมานั้นการที่มาถือศีลแปดมาปีกวิเวกจึงเป็นสิ่งที่ทรมานใจ ทางร่างกายไม่มีอะไรร่างกายสบายจะตายไปอยู่วัดไม่ต้องแบกหามไม่ต้องทํำงานให้เหนื่อยยากเพียงแต่ให้มาสู้กับกิเลสตัณหาเท่านั้นเองแต่มันกลับเป็นความเหนื่อยยากทางจิตใจที่บุคคนส่วนใหญ่จะไม่อยากจะทำกันเพราะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสได้ศึกษา จากผู้รู้จริงเห็นจริงไม่เคยได้ฟังธรรมของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เลยไม่เห็นคุณค่าของการปฏิบัติที่ต้องทุกข์ยากลําบากก็เลยไม่มีความยินดีในการที่จะเข้าหาธรรมกันกับมีความยินดีกับการหาลาบยศสรรเสริญ การหารความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเพราะยังมีความสามารถที่จะหาได้ร่างกายยังแข็งแรงแต่เขาไม่ได้มองถึงอนาคตของร่างกายว่าต่อไปร่างกายก็จะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดก็ต้องตายไปถ้าเขาเห็นอย่างพระพุทธเจ้าเห็นนี่ เขาก็อาจจะเปลี่ยนทางเดินของเขาก็ได้เพราะการเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายของพระพุทธเจ้านี่แหละที่ทำให้พระองค์เปลี่ยนทางเดินจากการเดินในทางโลกทางที่ไปสู่การเป็นพระมหาจากักรพรรดิเนี่ยพระองค์ก็ทรงเปลี่ยนมาทางที่จะไปสู่การ บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ตัสมาสัมพุทธเจ้าแต่เป็นทางที่พระองค์จะต้องทุกข์ยากลาบากในทางการกินอยู่และทางจิตใจทางร่างกายก็อยู่แบบขอทานถ้าอยู่ในพระราชวังแต่พอออกบวชก็ต้องอยู่แบบขอทานอยู่ตามมีตามเกิดอยู่ตามป่าตามเขาเพราะเป็นที่เหมาะสมต่อการบาเพ็ญ สา ม, มัธรรมเป็นที่เหมาะสมต่อการทำจิตใจให้สงบและเจริญปัญญาพระองค์ก็เลยต้องเสด็จออกจากวังพระราชวังที่มีความสุขทางด้านลาบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ไปอยู่แบบเดียวดายตามลำพัง อยู่ปราศจากรูปเสียงกลิ่นรสผพิภัพต่างๆถ้าพระไทยไม่มีความหนักแน่นมุ่งมั่นต่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากความแก่ความเจ็บความตายพระองค์ก็จะไม่สามารถที่จะเสด็จออกจากพระราชวังไปได้เนื่องจากมีความเห็นภายในการ ในความแก่ความเจ็บความตายที่จะทาที่จะตามมาพระองค์จึงยอมทนทุกทรมาน ก, กับการอยู่แบบขอทานอยู่ในป่าในเขาอยู่อย่างโดดเดียวเดียวดายว่าเว่ปวเปล่าเปลียวแล้วความพยายามที่จะบำเพ็ญและปฏิบัติก็ทำให้พระองค์สามารถที่จะ บรรลุธรรมและหลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดได้กลายเป็นสารณะเป็นที่พึ่งให้แก่โลกมาจนถึงบัดนี้เวลาสองพันห้ารอยกว่าปีผ่านมาแล้วถ้าเราไม่มีการเสียสละของพระพุทธเจ้าการเลือกทางธรรมของพระพุทธเจ้าพวกเราจะไม่มีใครมาสั่งมาสอนให้เราได้ รู้จากทางธรรมและได้ปฏิบัติได้เดินทางเดินไปในทางธรรมกันเราก็จะติดอยู่กับการเดินอยู่ในทางโลกติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิน้นชาตินี้เป็นชาติที่โชคดีของพวกเราที่ได้มาพบกับผู้ที่สั่งสอนทางธรรมนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนถึง ภาษาวกทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าไม่มีท่านเหล่านี้เราจะไม่สามารถที่จะเดินไปในทางธรรมได้ด้วยตัวเราเองลำพังเราต้องมีผู้นำทางการได้มาเกิดพบกับพระพุทธศาสนาจึงเป็นโชควาสนาจริงๆนานๆถึงจะมีโอกาสได้พบกับ พระพุทธศาสนาัสักครั้งหนึ่งโอกาสที่จะมาได้มาเป็นมนุษย์ได้ได้มากพบกับพระพุทธศาสนานี่มันแสนจะยากลำพังพระพุทธศาสนาเองก็นานๆถึงจะปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งแล้วการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ของเราก็ใช้เวลาพอสมควรกว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งเพราะหลังจากที่เราตายไปแล้ว เราก็ต้องไปใช่บาปใช่บุนที่เราทำไว้กว่าจะกลับมาก็เป็นเวลาหลายปีด้วยกันจังหวะที่จะมาได้เป็นมนุษย์และจังหวะที่จะได้พบกับพระพุทธศาสนาจึงเป็นสิ่งที่ยากมากชาตินี้พวกเราโชคดีเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์และเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พบกับพระอาลียสงสารของพระพุทธเจ้าที่จะคอยสอนให้พวกเราเดินไปในทางธรรมให้เพื่อให้ไปได้ไปถึงจุดหมายปลายทางของธรรมคือพระนิพพานคือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็อยู่ที่ตัวเราว่าเราจะรม เหมือนกับภาพโปรเทลัสได้หรือเปล่าเราพร้อมที่จะเข้าไปหาครูบาอาจารย์พร้อมที่จะเข้าไปศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของท่านได้หรือเปล่าถ้าเราพร้อมเราไปได้เราก็จะได้ปฏิบัติแล้วถ้าเราปฏิบัติไปแล้วไม่ช้าก็เร็วเราก็จะต้องได้รับผล ที่เกิดจากการปฏิบัติอย่างแน่นอนอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับประกันไว้แล้วว่าถ้าปฏิบัติจริงๆเจริญสติจริงๆเจริญสมาธิเจริญปัญญาจริงๆแล้วบางท่านก็เจดวันบางท่านก็เจ็ดเดือนบางท่านก็เจ็ดปีจะต้องได้รับผลจากการปฏิบัติอย่างแน่นอนถ้ามีครูบาอาจารย์ คอยบอกคอยแก้ปัญหาให้ถ้าเดินไปในทางที่ผิดแล้วท่านแก้ดึงเรากลับมาให้อยู่ในทางที่ถูกโอกาสที่จะสำเร็จนี้มันมีมากแต่ถ้าเราดื้อรั้นเราต้องการที่จะปฏิบัติไปตามความรู้สึกนึกคิดของเราอันนี้ก็จะยากและอาจจะไม่สำเร็จก็ได้เพราะความ ความคิดเห็นของเรานี้มันเป็นความคิดเห็นของกิเลสตัณหานั่นเองมันไม่ได้เป็นความคิดเห็นของธรรมเพราะเรายัางไม่มีธรรมเมื่อเราไม่มีธรรมเราจะเอาอะไรมาคิดมาเห็นก็ต้องเอาอาวิชชาปัตจะยาสังขารานี้มาคิดมาเห็นนั่นเองเราจะไม่มีธรรมมาปัจจะยาสังขารจะมีก็ต่อเมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมจากผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าพระอริยสงสารุกทั้งหลาย ท่านเหล่านี้มีธรรมอยู่ในใจธรรมที่ท่านแสดงออกมาทุกบททุกบาทนี้เป็นธรรมล้วนๆไม่มีกิเลสตัณหาอยู่เลยเมื่อเราฟังบ่อยๆเราก็สามารถเอาความคิดเห็นของท่านเข้ามาสู่ใจของเราได้เอาสัมมาทิฏฐิของท่านเอาเข้ามาแก้มิจฉาทิฏฐิของเราได้พอเราแก้มิจฉาทิฏฐิได้ เราก็จะคิดไปในทางธรรมเมื่อเราคิดไปในทางธรรมเราก็จะปฏิบัติไปในทางธรรมเมื่อปฏิบัติไปในทางธรรมแล้วมันก็จะต้องหมบรรู้ธรรมขึ้นมานั่นเองนี่คือเรื่องของการเลือกทางเดินทางทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ต้องปาทางธรรมเท่านั้นถ้าไม่มีพระพุทธศาสนานี้ก็ยากที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างในยุคที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญตอนนั้นไม่มีพระพุทธศาสนานอยู่ในโลกพระพุทธเจ้าเองไปศึกษากับคูบาอาจารย์ต่างๆก็ไปได้แค่ขั้นพร ม, มโลกเท่านั้นเองแต่เป็นขั้นพร ม, มโลกชั่วคราว ที่จะต้องเสื่อมกลับลงกลับมาเกิดเป็นเทพกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ยังไม่ได้เข้าสู่ขั้นโล ก, กุตรธรรมธรรมที่ไม่เสื่อมคือธรรมของพระอริยะบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปถ้าได้บรรลุขั้นโล ก, กุตรธรรมแล้วนี้จะจะไม่เสื่อมลงมามีแต่จะจะเจริญขึ้นไปตามลาดับจากเจ็ดชาติก็เหลือชาติเดียว จากชาติเดียวก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในภพของมนุษย์ไปเกิดในภพของพรหมแล้วก็หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในขณะที่อยู่ในขั้นชั้นของพรหมนั้นบรรลุถึงพระนิพพานบรรลุเป็นพาาระอรหันต์ได้ในขณะที่เกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหม อันนี้เกิดขึ้นเพราะว่าได้มีพระพุทธศาสนามีพระอริยบุคคลมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้มาแสดงธรรมแต่พระพุทธเจ้านี้ต้องหาทางด้วยพระองค์เองเพราะไม่มีใครรู้จึงต้องทดลองผิดถูกแต่พระด้วยอานาจพระปัญญาบารมีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาอย่างโชคชนจึงทำให้พระองค์สามารถ พบกับทางที่ถูกต้องที่นําไปสู่การหลุดพ้นได้ที่เรียกว่าทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาตอนต้นพระองค์ก็ลองทั้งสองทางขณะเป็นเจ้าชายศิท ธ, ธัตถะก็ลองหาดับความทุกข์ด้วยการหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่พอเห็นว่าร่างกายจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ก็เห็นว่าทางนี้มันไม่มีทางที่จะดับทุกข์ได้ก็ลอยลองมาทำทางของอนักบวชก็เห็นเขาทรมานร่างกายต่างๆพระองค์ก็ทรงทดลองทรมานดูแต่ก็ไม่หลุดพ้นอีกเพราะกิเลสมันไม่ได้ตายด้วยการทรมานร่างกายกิเลสมันจะตายมันต้องตายด้วยปัญญา ดังนั้นพระ อ, องค์จึงส่งเลิกทั้งสองทางทางที่ใช้ความสุขทางร่างกายหรือทางที่ใช้การทรมารร่างกายกลับมาใช้ทางสายกลางคือทางแห่งศีลสมาธิปัญญาแล้วในที่สุดพระ อ, องค์ก็ส่งหลุดพ้นด้วยศีลสมาธิปัญญานี่แล้วพอมีพระ อ, องค์หลุดพ้นแล้วทีนี้พูดที่ตามมาทีหลังก็ง่ายไม่ต้องไปทดลองด้วยตนเอง ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกด้วยตนเองพอพระองค์ทรงสแสดงเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรทรงสแสดงเหตุที่จะดับความทุกข์เกิดจากอะไรพอสแสดงปุ๊บผู้ที่ฟังก็สามารถบรรุได้เลยกาจัดเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาด้วยการเจริญเหตุที่จะมาํำจัดเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์ ก็เลยบรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันขึ้นมาเป็นจนํานวนมากภายในระยะเวลาอันสั้นๆเพราะมีผู้รู้ทางแล้วมีผู้บอกทางแล้วขอให้ผู้ศึกษาให้มีศรัทธาความเชื่อมั่นและปฏิบัติตามอย่างจริงๆจังจังเถิดแล้วผลมันก็จะเกิดขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วนี่เกิดเรื่องเส้นทางของชีวิตที่พวกเรา สามารถเลือกกันได้คือเส้นทางทางโลกกับเส้นทางทางธรรมถ้าเราต้องการความสุขความสบายในปัจจุบันเหมือนกับที่เรามีกันอยู่นี้เราก็ไปทางโลกกันเราก็ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแต่เราต้องรู้ว่าต่อไปมันจะหมดเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายมันเสื่อมสภาพลง หรือเวลาที่เราไม่สามารถที่จะหารูปเสียงกล็ดลดต่างๆมาเสพได้เวลานั้นเราก็จะเป็นเหมือนคนที่ติดยาเสพติดแต่ไม่มียาเสพติดติดมันก็จะทุกข์ทรมานใจไปแล้วมันก็จะทำให้เราเวลาตายไปแล้วต้องกลับมาเกิดใหม่มาเสพใหม่มาติดใหม่เพราะเหตุที่ทำให้เราติดมันยังมีอยู่ในใจ ก็คือตัณหาความอยากต่างๆนี่ถ้าเราไม่กําจัดมันการเวียนว่ายตายเกิดนี้จะไม่มีวันสิ้นสุดมันจะมีต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าเลือกเราเลือกมาทางธรรมถ้าเรายอมทุกข์ยากลําบากกับการมาบําเพ็ญมาอยู่วัดไม่ปริกไม่เวกมาสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายมาเจริญสติคอยควบคุมความคิดความอยากต่างๆ แล้วพอจิตสงบได้พอได้สมาธิได้ความสงบแล้วเวลาจะใช้ปัญญาก็จะสามารถที่จะทําลายตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้แล้วเราก็จะได้พบกับความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาจะเป็นความสุขล้นล้นไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดท่านถึงเรียกความสุขแบบนี้ว่าบรมสุขปรมังสุขขัง นิบานังปามังสุขขงังกำลังนอพวกท่านอยู่ขอให้ท่านมีความศรัทธาออมีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีความจริงจังต่อการศึกษาและการปฏิบัติแล้วพระนิพพานก็จะมาอยู่กับท่านต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พรลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะขอยุติการถามตอบปัญหาถ้ายังไม่มีใครจะถามก็จะให้พิธีกรเอาคำถามทางบ้านมาอ่านก่อน คำถามจากทางบ้านจากคุณแอดการบันทึกกรรมชั่วของมนุษย์แต่ละคนแต่ละเวลาแต่ละสถานที่เป็นหน้าที่ของใครครับกรรมมันเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่ต้องมีใครมาบันทึกมันจะเป็นไปตามธรรมชาติของมันตามเหตุตามผลคำถามจากคุณน้ือสร เวลาเรานั่งสมาธิแต่บางครั้งจิตใจเราวกแวกจิตคิดไปเรื่องอื่นบางครั้งเราจะทําอย่างไรให้จิตเรานิ่งสงบคะเพราะเราไม่มีอะไรกํากับใจเราต้องมีพุทโธบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆถ้าเราบริกรรมพุทโธมาเราจะไม่สามารถไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ถ้าเรานั่งเฉยๆมันก็คิดไปวุ่นไปหมดฮะังการนั่งสมาธิที่ถูกต้องต้องมีสติควบคุมใจ สติที่เกิดจากพุโทโธหรือสติที่เกิดจากการเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกอย่ายนั่งเฉยๆคําถามจากคุณธรรมดาคนตาบอดคนหูหนวกเขาไม่มีช่องทางให้กิเลสเข้ามาในจิตดังนั้นในทางธรรมเขาโชคดีกว่าคนปกติเลยครับอ๋อกิเลสมันไม่ได้อยู่ข้างนอกมันอยู่ข้งางในก็อาจจะดีตรงที่ว่าเขาไม่ต้องมาปิดตาปิดหูเหมือนพวกเรา เพราะว่าเขาไม่มีตาไม่มีหูเขาก็เลยไม่มีกิเลส ท, ที่จะออกไปทางนั้นได้อย่างที่เมื่อกี้ได้เทศให้ฟังว่าจะจับกิเลสนี้ต้องปิดตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เอาสติมาคอยสติปัญญามาคอยจับมาคอยฆ่ามันมันจะมาโผลที่ใจออกมาจากใจมันออกมาจากใจแล้วมันก็จะออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายต่อไป แต่เมื่อมันไปทางตาหูจมูกนิ้วกายไม่ได้มันก็ต้องอยู่ตรงที่ใจถ้าเราเมสตสติจดจ่ออยู่ที่ใจมันพอโผล่ขึ้นมาเราก็จะทําลายมันได้เลยคําถามจากคุณวิสานั่งสมาธิขณะที่จิตสงบสักครู่เหมือนมีน้ําเย็นๆไหลาตามร่างกายตามเส้นเลือดจุดไหนปวดก็แผ่ซ่านความเย็นเข้าไปจนทําให้รู้สึกไม่ปวด และมีความสุขมากสิ่งที่แผ่ซ่านเย็นเย็นคืออะไรคะก็ความสงบนี่ที่เรียกว่าอเบขาใจจะเย็นจะเฉยกับสิ่งต่างๆเวลาใจไม่มอุเบขานี่พอมีอะไรมาสัมผัสหน่อยก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาทันทีพอมิวเบขามีความสงบใจก็จะเฉยจะเย็นจะไม่มีอารมณ์ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามหนูมีความรู้สึกกลัวผีแต่พอมาคิดดูว่าจะกลัวอะไรแค่เขาไม่หายใจเขาไม่มีร่างกายพิจารณาไปตอนแรกๆก็ดีค่ะพอมีคนตายอีกก็กลัวอีกและหนูมีความสงสัยว่ามนุษย์เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจ สามารถรับรู้ได้ผ่านทางอินทรีย์แต่เมื่อเราตายไปใจหลุดออกร่างกายไปแล้วแล้วผีจะสามารถมองเห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสไหมคะเอาได้แต่มันเป็นเสียงทิพทิปลูกลูบทิพมันไม่ได้เป็นเสียงที่เราเห็นด้วยที่ได้ยินด้วยหูหรือรูปที่เราเห็นด้วยตาของร่างกายแต่จิตก็ยังเห็นได้เช่นเวลาเรานอนดับนี่ นอนหันอนนอนหลับเราปิดเตอร์ปิดตาทาไมเราฝันว่าเราไปนูน่นไปนี่ไปกินไปเดืม่มไปเที่ยวไปเล่นกันได้นั่นแหละเรียกว่าอยู่ในโลกทิพตเวลาที่เราหลับเนี่ยจิตจะอยู่ในโลกทิพตจิตก็ยังฝันไปตามเหตุการณ์ต่างๆเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาในภายในจิตของตนเองอันนี้เรียกว่ารูปทิพสียงทิพกลิ่นทิพและแม้เวลาเรา ฝันว่าเรากินกว๋วยเตี๋ยวนี่อร่อยไ้ยอร่อยใช่ไมงั้นเวลาที่เราไม่ได้ใช้ร่างกายก็เวลานั้นจิตก็เลยต้องใช้รูปทิพย์เสียงทิพย์แทนแต่พอตื่นขึ้นมาจิตก็กลับเข้ามาใช้ร่างกายใหม่เป็นเหมือนกับว่าเป็นจิตนี่สามารถหาหาลูกเสียงกิ่นรสได้สองทางทางโลกทิพย์กับทางโลกกระทา ถ้ามีร่างกายก็ใช้ร่างกายหาลูกเสียงกลิ่นลดไปถ้าไม่มีร่างกายก็ใช้โลกทิพย์หาโลกหาห า, หาลูกเสียงกลิ่นลดในโลกทิพย์ไปและขอความเมตตาหลวงพ่อได้เมตตาสอนให้หนูได้แก้ไขจุดที่กลัวผีด้วยค่ะ อ, อ๋อวิธีแก้แก้ความกลัวก็มีสองวิธีวิธีแรกก็ใช้สติเวลาเกิดความกลัวก็อย่าให ไปคิดถึงสิ่งที่เรากลัวดึงใจกลับมาด้วยกรรมบริกรรมพุทธโธพุทธโธหรือจ ะ, จะเจริญพุทธานุสติก็สวดอิติปิโสไปสวดไปเรื่อยๆอยากจะให้ใจไปคิดถึงสิ่งที่เรากลัวแล้วพอเราลืมมันความกลัวก็จะหายไปแต่พอเรานึกขึ้นมาใหม่มันก็จะกลัวได้อีกอันนี้เป็นการแก้ชั่วคราวไม่ได้แก้อย่างถาวร ถ้าแก้อย่างเท้าวนก็ต้องปร่งอะไรจะเกิดก็เกิดผีมันจะมาทำอะไรเราก็ปล่อยให้มันทําไปถ้าเราปร่งยอมได้แล้วมันก็จะหายกลัวอย่างเด็ดขาดซึ่งความจริงแล้วผีจริงๆมันก็ไม่มีถ้ามีมันมาทำเรานานแล้วล่ะมันจะที่มันทําไมมันมามามีตอนที่เราไปคิดถึงมันพอเวลาเราไม่คิดถึงมันมันไม่มีะ งัผจริงๆมันมันอยู่ที่ใจเราไปคิดถึงมันสร้างมันขึ้นมานด้วยมโนภาพของเราเองคิดถึงมันแล้วก็เลยกลัวมโนภาพคือง่ายๆก็คือกลัวเงาของเราเองเราสร้างเงาขึ้นมาแล้วก็ไปกลัวเงานั้เราต้องใช้สติหยุดการสร้างหรือใช้การปรงุงคือยอมว่าร่างกายหรืออะไรที่เป็นของเราเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นกับเราก็ให้มันเกิดไปถ้าร่างกายมันจะตาย ผีมันจะเอาไปฆ่าก็ให้มันไปฆ่าไปถ้ายอมนะเพราะงเดี๋ยวเราก็ต้องตายอยู่ดีเดี๋ยวเราก็กลายเป็นผีมันมันอยู่ดีไปกลัวมันทาไมพวกเดียวกันคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการทำ บ, บุญถวายปัจจัยกับหลวงพ่อเขียนใบปวารณากับไม่เขียนได้บุญแตกต่างกันไหมค ะ, ะไม่ได้อยู่ที่ใบปวารณาอยู่ที่เงิน <c oughs> Iction, เขไม่เขียนก็ไม่ได้เหมือนกันนะถ้าเขียนแล้วไม่มีเงินมาเขียนมาัวหนาไม่มีเงินีได้บ้างก็ตอบอว่าถ้าไม่ได้มีเงินมันไม่ได้จะเขียนแล้วไม่เขียนก็ไม่ได้ ถ้ามีเงินไม่เขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้เอถ้าไม่มีเงินเขียนก็ไม่ได้ไม่เขียนครับต่อไปเป็นคําถามจากผู้ฝากถามนะครับกระสินกับนิมิตต่างกันอย่างไรครับอ๋อกสินมันเป็นสีที่เรานึกขึ้นมาในใจเราเวลาที่เราจะใช้สีเป็นอารมณ์กล่อมใจถ้าเราชอบสีเขียว เราก็นึกถึงสีเขียวหลับตาแล้วก็นึกถึงสีเขียวถ้าตอนต้นนึกไม่ออกก็ลืมตาดูสีเขียวก่อนเช่นดูใบไม้แล้วก็จำใบไม้จำสีของใบไม้ไหมแล้วก็หลับตาแล้วค่้นึกถึงสีของใบไม้นั้นแล้วถ้ามันโผล่ขึ้นมาเราก็พยายามรักษาสีเขียวนั้นไปการรักษาการจดจ้องเฝ้าดูสีเขียวนี่ก็เป็นการทาสติเจริญสติเป็นการกกรรมทสมาธิ ถ้าจิตเราอยู่กับสีได้ประครับประคองสีนี้ให้อยู่ในจิตได้เดี๋ยวมันจิตก็จะรวมจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้เหมือนกับการเพ่งดูลมหายใจเพ่งโลหาใจมันง่ายกว่าเพราะเราไม่ต้องไปจินตนาการลมนี้เราสามารถที่จะสัมผัสรับดูได้แต่ถ้าเป็นสีนี้เราต้องจินตนาการขึ้นมาต้องนึกขึ้นมาการนึกนึกถึงสีมันก็ทาให้เราไม่ได้ไปนึกถึงเรื่องอื่นไม่ได้ไปคิดปรุงแต่ง มันก็เลยทําให้ใจสงบเช่นการนึกถึงพุโทโธก็เช่นเดียวกันถ้าเรานึกอยู่กับพุโทโธไปเราไม่ไปคิดถึงเราก็คิดถึงเรื่องอื่นไม่ได้พอเราไม่คิดถึงเรื่องอื่นเดี๋ยวจิตก็สงบได้งั้นกษินก็คือสีส่วนอะไรนะั้นนิมิตก็คือภาพต่างๆที่ปรากฏในขณะที่เรานั่งสมาธิหรือเวลาที่เราหลับเราก็เรียกนิมิตฝันนี่ก็เลยเป็นนิมิตอย่างหนึ่งนอนหลับฝันนี่ก็ เ น, นิมิตหรือเวลานั่งสมาธิแล้วก็มีภาพอะไรโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นนี่อันนี้ก็เป็นนิมิตนิมิตก็มีสองแบบนิมิตในกับนิมิตนอกนิมิตในก็คือสิ่งที่จิตเราผลิตขึ้นมาเองนิมิตนอกก็คือสิ่งที่เข้ามาเช่นดวงวิญญาณต่างๆจิตวิญญาณของผู้อื่นก็สามารถที่จะเข้ามาแสดงปรากฏตัวให้เราเห็นได้ อย่างที่เมื่อกี้ได้แสดงเรื่องของคุณแม่ชีแก้วเวลาเธอนั่งสมาธิแล้วพอจิตสงบแล้วจิตของเธอจะออกไปรับรู้นิมิตต่างๆจะไปรับแขกเขาเรียกว่ารับเทวดาอย่างพระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมก็ต้องเนี่ยก็ต้องอยู่ในสมาธิแบบนี้สมาธิที่จะรับเทวดาได้รับกายทิพย์ต่างๆได้หรือสำหรับแม่ชีแก้วเธอมักจะมะีวิญญาณของผู้ตายไปแล้วมา เข้ามาหาเช่นหมูป่าถูกพรานฆ่าตายก็เข้ามาวัวควายถูกเจ้าของฆ่าตายก็เข้ามาหรือคืนที่หลวงปู่มั่นท่านนิพพานท่านละสังขารท่านก็เข้ามาในนิมิตของในสมาธิของแม่ชีเพราะพอดีวันนั้นแม่ชีเตรียมตัวจะเดินทางไปกราบหลวงปู่ไปเยี่ยมหลวงปู่ตอนเช้าแต่ นตอนคืนก่อนจะถึงเช้าเธอนั่งสมาธิว่าพอดีเป็นเวลาที่หลวงปู่ท่านสิ้นพอดีท่านก็เลยมาเข้าในสมาธิของแม่ชีบอกว่าไม่ต้องไปแล้วเราไม่อยู่แล้วที่อยู่ไม่ใช่เราแล้วที่อยู่เป็นเพียงร่างกายของเราเป็นเปลือกตัวเราเราไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วอันนี้ก็เรื่องนิมิตต่างๆ คำถามข้อต่อไปนะครับการกําหนดกระสินสีขาวในการทําสมาธิควบคู่กับการระลึกรู้ลมหายใจจะสมควรหรือไม่อย่างไรครับอ๋อไม่ควรเอาควรเอาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเอาหลายอย่างแล้วมันก็จิตจะไม่นิ่งไม่จดจอ่อเราต้องการให้จิตรวมจิตรวมต้องมีอย่างเดียวดึงจิตให้เข้าไปถ้ามีสองอย่างมันก็จะแยกเป็นสอ ง, งไปมันก็จะไม่มีวันรวมได้ คำถามจากทางเฟซบุ๊กไลฟ์จากคุณปราณีนะครับการนั่งสมาธิวันละหนึ่งชั่วโมงสามรอบกับการนั่งรอบเดียวสามชั่วโมงแบบไหนจะได้ผลดีกว่ากันก็แล้วแต่มันสงบหรือไม่สงบถ้านั่งแล้วไม่สงบจะนั่งแบบไหนมันก็ไม่ดีทั้งนั้นนั่งแล้วมันต้องสงบมันถึงจะดีจิตต้องรวมอย่างเงี้ยเป็นสมาธินจะจะรวม ถ้ารวมแบบสามชั่วโมงได้ก็ยิ่งดีกว่ารวมแบบชั่วโมงเดียวแสดงว่าสติมีกำลังมากนักปฏบิบัติบางท่านที่เรียกว่าฤาษีนี่บางทีท่านสงบได้เจ็ดวั น, นเข้าฌานได้เจ็ดวันชานก็คือสมาธินี่แสดงว่าสติท่านดีมากสามารถที่จะควบคุมจิตให้สงบได้ถึงเป็นเวลาหลายวันด้วยกัน คำถามจากคุณเสย่านะครับการมีสติรู้ทันอารมณ์แม้เป็นเรื่องอกุศลความไม่ดีถือว่าถูกต้องไหมครับก็ดีในระดับหนึ่งถ้ามีสติพอรู้ว่าคิดไม่ดีความคิดนั้นก็หยุดไปแต่ถ้าเราไม่มีสติมันก็จะคิดยาวไปแล้วมันก็อาจจะพาไปสู่การพูดหรือการกระทำที่ไม่ดีต่อไปได้แต่ถ้ามีสติปั๊บมันพอรู้ปั๊บมันก็หยุดปั๊บไป แต่พอเพ้อสติมันก็โผลขึ้นมาใหม่ได้เช่นอยากจะไปดื่มกาแฟนี้พอมีสติอ้อไม่ควรดื่มมันก็หยุดดื่มแล้วเดี๋ยวพอเผ้อคิดถึงกาแฟมันก็อยากขึ้นมาอีกวิธีที่จะกำจัดอารมณ์ที่ไม่ดีให้หมดไปก็ต้องใช้ปัญญาว่าการกระทําตามความอยากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสนี่เป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่เปการหาความสุข เพราะมันจะไม่มีวันอีกไม่มีวันพอมันจะอยากไปได้เรื่อยๆแล้วเวลาไม่ได้ดังใจอยากก็จะหงุดหงิดลาคาญใจถ้าใช้ปัญญามันก็จะเลิกคิดถึงสิ่งต่างๆได้เลิอกอยากกับสิ่งต่างๆได้ดังั้นการการดูอารมณ์นี่ต้องดูแล้วต้องต้องต้องทําลายมันได้อย่างถาวรเช่อารมณ์นี้ไม่ดีเช่นอารมณ์โกรธนี้เวลากดขึ้นมาแล้วก็บอกอันนี้ไม่ดี พอมันร้อนมันทำให้ใจเราร้อนกระสับกระสายกินไม่ได้นอนไม่หลับเนเราก็ต้องอค้นหาสาเหตุของความโกรธความโกรธมันก็เกิดจากความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งอยากให้เขาทำอะไรให้เราแล้วเขาไม่ทำเราก็โกรธเขาถ้าเราเลิกความอยากนั่นเสียแล้วไม่ต้องการให้เขาทำอะไรให้เราเราก็จะไม่โกรธเขาอีกต่อไปอน้่นเราต้องใช้ปัญญาถึงจะ แก้อารมณ์ต่างๆที่ไม่ดีได้อย่างถาวรถ้าแก้ด้วยสติมันก็ดับไปในขณะที่เรามีสติรู้ทันมันพอเราเพ้อสติมันก็กลับมาใหม่คําถามจากคุณหลิงหลิงนะครับเวลาเรามองรูปกายคนอื่นแล้วเปลี่ยนเป็นกระดูกแต่กลับมาดูกายเราไม่เป็นแบบกระดูกดูกายคนอื่นแสดงว่ามันยังเป็นสัญญาและสังขารใช่หรือเปล่าคะ ต้องกลับมาทำสมาธิเยอะๆและพิจารณากายของเราใหม่ใช่ไหมคะก็มันก็ถ้าเราไม่พิจารณาของเราเราพิจารณาคนอื่นมันก็ความจริงถ้าเราใช้ปัญญาแล้วก็เปรียบเทียบกันได้ว่ามันก็เหมือนกันกระดูกของเขากระดูกของเรามันก็ไม่ต่างกันตรงไหนก็หลองศีรษะอวัยวะต่างๆมันก็มีเหมือนกันทั้งนั้น อันนี้ถ้าใช้ปัญญาเปรียบเทียบก็ได้แต่ถ้าถ้าอยากจะเห็นของเราก็นึกของนึกอยู่ในใจเราอยู่เรื่อยๆนึกถึงกระดูกของเราโครงกระดูกของเรานึกไปเรื่อยๆต่อไปเดียวมันก็จะโผล่ขึ้นมาเองคำถามจากคุณสมชายนะครับผมให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามาดียิ่ง และผมจะเพียรทำยิ่งยิ่งขึ้นไปผมจะข้าสงสารภายในชาตินี้ได้ไหมครับพระอาจารย์ผมเบื่อสังขารอันเป็นทุกข์อย่างยิ่งได้แต่มันต้องทำตลอดเวลาเนะี่ยคือภาวนานี้มันเม่มันถึงเวลาภาวนาจริงๆนี่มันต้องภาวนาตลอดเวลาสตินี่มันต้องมีตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับนะแล้วก็มีการทำจิตให้สงบสลับกับการเจริญปัญญาไปแล้วทุกครั้งที่ กิเลสตัณหาผลขึ้นมาถ้ามีปัญญากำจัดมันได้มันก็บรรลุได้ yeah. คำถามจากคุณสนทยานะครับเวลาเรานั่งสมาธิพอจิตสงบสักพักก็เหมือนฝันไปแต่ไม่ได้หลับเรียกว่าอะไรเจ้าคะเรียกว่าเคลิมเหมือ น, <c oughs> <c oughs> นกับหลับก็แสดงว่ามันเคริ ม, ม <c oughs> คำถามจะคุณอดิเลกนะครับคำถามเกี่ยวกับสัมมาอาชีพหากพบหัวหน้าของเราไปรับฟังความคิดเห็นและต้องทำตามคำสั่งนั้นถึงแม้รู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เราก็ฝืนคำสั่งไม่ได้จะมีวิธีทำกำลังใจหรือปฏิบัติกับหัวหน้าอย่างไรเพื่อให้งานนั้นๆดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ก็มาลาบลื่นก็เพราะทําตามกันไปถ้าขัดกันมันก็ไม่ลาบลื่นงั้นเราก็ต้องเลือกว่าเราจะเอางานหรือเราจะเอาธรรมะความถูกต้องถ้าเราจะเอาธรรมะเราก็ต้องลาออกจากงานเราอย่าไปเป็นจระเข้จระเข้ขวางคลองเขงามันกงน็งานก็จะไม่ลาบลื่นแล้วเราก็จะไม่มีความสุขไม่มีความเจริญก้าวหน้างั้นถ้าเราเห็นว่า ครบกับเขาแล้วทำให้เราต้องไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรเราก็อย่าไปครบกับเขาก็ไปหางานใหม่ไปขายสาปลปาหรือไปทำอะไรก็ได้ทำอาชีพอิสระที่เราสามารถที่จะรักษาธรมของพระพุทธเจ้าได้ให้เราเลือกทำดีกว่าเลือกเงินพระเจ้าบอกให้เลือกถ้าต้องเลือกระหว่างรมกับทรัพย์ก็ให้เลือกทำถ้าต้องเลือกอวัยวะกับรมก็ให้เลือกรม ถ้าต้องเลิกชีวิตกับธรรมก็ให้เลิกธรรมให้สละทรัพย์สละอวัยวะสละชีวิตเพื่อธรรมคำถามเจ้คุณเกตนพภานะครับเวลายืนสมาธิแล้วเห็นกระดูกสันหลังตัวเองไปถึงก้นกบทาถูกไหมคะอันนั้นไม่ได้ยืนสมาธิอันนั้นเรียกว่ายืนพิจารณาธรรมถ้าถ้ายืนสมาธิจิตต้องว่างต้องสงบถึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิ ถ้าไปเห็นอะไรนี่เรียกว่าเป็นการพิจารณามากกว่าเป็นการเจริญปัญญาการเห็นร่างกาย ก, การเห็นอวัยวะต่างๆของร่างกายเพื่อเตือนใจเราว่าร่างกายเราเป็นอย่างไรแทะอเราจะเห็นว่ามันหนึ่งมันเป็นเพียงอวัยวะต่างๆคืออาการสาสิบสอง มันไม่มีตัวไม่มีตนในอวัยวะเหล่านั้นความที่ไปคิดว่าอวัยวะเหล่านั้นเป็นตัวเราของเรามันเป็นความหลงความเพ้อฝันความจริงมันเป็นเพียงอวัยวะเราถึงพิจารณาว่าร่างกายเป็นอนัตตาได้ไม่ใช่ตัวเราของเราการดูอวัยวะต่างๆอีกอย่างหนึ่งก็ทําให้เราเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกาย เราจะได้ไม่มาหลงไหลกับความสวยงามของร่างกายร่างกายมันไม่สวยเราก็จะรู้สึกเฉยๆช่างหัวมันมันเหมือนกันทุกคนเน่พอเข้ามองเข้าไปใต้ผิวหนังแล้วมันก็ไม่มีใครน่าดูสักคนคำถามจะคุณอ่าโฮทูคด อ, อ, อะไรเนี่ยนะครับ หนูมักจะมีความคิดไม่ดีกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งที่จริงไม่มีเจตนาเลยค่ะหรือควรทําอย่างไรดีก็หาศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาประวัติของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้รู้จักว่าท่านเป็นใครแล้วเราจะเห็นว่าท่านนี่ประเสริฐเลิศโลกกว่าเราหลายล้านเท่ามันก็จะทําทให้เรามีความเคารพในตัวท่านขึ้นมา ถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราก็จะไม่รู้ ค, ความประเสริฐของพระพุทธของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเราก็อาจจะคิดว่าท่านเป็นคนธรรมดาสามัญเหมือนเราเราก็อาจจะไปคิดไม่ดีกับท่านได้คำถามจากคุณทวิชานะครับเวลาหนูนั่งสมาธิจิตยังไม่นิ่งแต่หนูรู้สึกเบื่อหน่ายทั้งโลก และรู้สึกความอยากได้ทางปัจจัยลดลงเท่ากับการปฏิบัติก้าวหน้าหรือเปล่าคะถ้าเบื่อหน่ายทางโลกมันก็ก้าวหน้าถ้ายินดีทางธรรมมากขึ้นมันก็ก้าวหน้าคำถามจากคุณนุชนาทนะครับลบกวนพระอาจารย์ชี้แนะเรื่องการปล่อยวางในขณะที่ต้องควบคุมกิจการงานการคลองเรือน ก็ให้พิจารณาเนืองๆว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากกันไปเราก็จะได้ไม่ไปหลงยึดติดกับมันอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันได้ก็อยู่กันไปถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องจากกันก็จากกันไปเพราะมันในที่สุดมันก็ต้องจากกันค อ, อยพิจารณาอนิจจาอยู่เรื่อยๆว่ยมันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกอย่างที่เรามีอยู่ คิดถึงเวลาเรามาเราก็ไม่ได้มีอะไรติดตัวมาเวลาเราไปเราก็ไม่มีอะไรติดตัวไปนอกจากความดีความเชื่อที่เราทาอยู่เท่านั้นที่เรานำติดตัวไปกับเราได้คําถามจากคุณสุพนานะครับเฝ้าดูความคิดตลอดจิตว่างเบาสบายควรพิจารณาอย่างไรต่อคะถ้าจิตว่างเบาสบายก็รักษาความว่างความเบาสบายไปให้นาน เพราะนั้นก็คือการเป้าหมายของการนั่งเพื่อให้เราสบายให้จิตเราว่างเบาๆแล้วต่อไปเราก็พยายามรักษามันตลอดเวลาออกจากสมาธิมาก็พยายามรักษามันต่อไปมันจะไม่ว่างไม่เบาก็ต่อเมื่อเราไปคิดไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ตอนนั้นเราก็พยายามกาจัดความอยากก็กาจัดได้สองวิธีวิธีแรกก็ด้วยด้วยสติ ก็อยากไปคิดถึงสิ่งที่ทําให้เราอยากพุโทโธพุโทโธไปพอความอยากหายไปความว่างความเบาก็ยังจะกลับมาอยู่หรือถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาว่าการทําตามความอยากก็เป็นเหมือนกับการไปเสพยาเสพติดเสพแล้วก็ติดแล้วก็ต้องเสพเยอะเรื่อยๆต้องอยากอยู่เรื่อยๆแล้วพอไม่ได้พอไม่ได้ดังใจยอยากก็จะทุกข์ขึ้นมาก็จะทําให้เราเลิอกอยากได้เห็นโทษของความอยาก คำถามจากคุณกรุงสยามนะครับทำกับวินัยอะไรสำคัญมากกว่าครับมันก็เป็นของคู่กันวินัยเป็นศีลเนี่ยววินัยเป็นคำํคำคําสั่งทมเป็นคําสอนอวินัยนี้ต้องปฏิบัติตามฝ่าฝืนไม่ได้เช่นสั่งให้รักษาศีลห้านี่ต้องรักษาศีลห้าก่อนที่เราจะได้ทมเราต้องมีวินัยก่อน วินัยนี้จะทาให้เราสามารถควบคุมใจไม่ให้ไปเถลไถลไปทําเรื่องต่างๆที่ไม่ดีได้แล้วเราก็จะได้มาสร้างธรรมกันงั้นจะพูดแล้วธรรมก็สูงกว่าวินยัยแต่วินัยก็เป็นเหมือนกับรากฐานของบ้านส่วนธรรมก็เป็นเหมือนตัวคานบ้านถ้ารากฐานไม่ดีบ้านก็ล้มพังลงมาได้เราต้องมีรากฐานที่ดีมีวินัยที่ดี มีความแข่งขัดต่อวินัยคือศีลข้อต่างๆเมื่อเรามีศีลมีวินัยแล้วเราก็จะสามารถสร้างธรรมขึ้นมาได้แล้วรักษาธรรมนั้นให้คงอยู่ต่อไปได้ตลอดหมดหร<ม>ือยังหมดครับอาจารย์ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิ จ, จารณาไปปฏิบัติ เพ people ื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอเมื่อกี้นี้มาเรียนถามท่านเจ้าอาวาสไม่ทัน ก็มีปัญหาถามนริงครับว่าผมศึกษาในมหาปิทยาสูตรเนี่ท่านบอกว่าบุคคลเวมาทำที่ท่องเที่ยวในสซอิมีสถยนที่ต่างเนี่ยท่านบอกว่าเมื่อแต่การทางานขังไปแล้วจะไม่ไปอายุูมทีนี้ปัจจุบันนี้ก็เลยมี้ว่าถ้าทำการชั่วจอดชีวิตเลยแล้วก็ ขึ้นยิงระสาสเร็มืสามี่ทดไ้ันมันเกิดได้ผลนหครับท่านจะปนารครับก็อยู่ที่ว่ายังทาบาปต่อไปเล่าเาทบาปได้ตี่นได้ครับผมครับทีนี้ถ้าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเราเราานมันเลยมีมือคำคนึงบอกว่าข้งนงในชีวิตสามารถปิดตัวะไรได้คือขั้ระส่าตรงนี้ที่สัญ ถ้ากระทำแล้วเราเป็นทางเน่าเนื้อไม่คงต่สอบอ่าเราไสมยอมตายยี่วันมากาารทำบาปเรก็ไม่ไปต้องราต้องรักษาเิียจปตลอดชีวิตจะให้ถ่ายเลครับต้องรครครับ